องประกอบทั้ง8ของมัคคำว่ามัคแปลว่าหนทางในความหมายนี้คือแนวดำเนินจิตประการต่างๆเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบตามนิยามดั้งเดิมที่แท้จริงของพระพุทธองค์มุ่งหมายถึงความรู้ในสัจจะที่อริยะเจ้าให้ความสนใจสูงสุดสี่ประการได้แก่ความรู้จักทุก ความรู้จักต้นเหตุของทุกข์ความรู้จักลักษณะที่ดับไปแห่งทุกข์และความรู้จักวิธีดับทุกข์โดยย่นยอ่อคือเข้าใจทั่วถึงในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เป็นอย่างดีนั่นเอง 2. สสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบมุ่งหมายเอาความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาท และความดารีในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น 3. สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบหมายถึงการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดการงดเว้นจากการพูดคาหยาบและการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 4. สัมมากมันตะคือการกระทําชอบหมายถึงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้และการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม5้าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบละเว้นการเลี้ยงชีพที่ผิด 6. สัมมาวายามะคือความเพียรชอบหมายถึงการทำให้เกิดความยินดีเต็มใจประกอบความเพียรมีอาการประคองจิตไว้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 หมายถึงอาการที่จิตระลึกและพิจารณากายใจด้วยหลักที่ปรากฏแสดงในมหาสติปัะธานสูตรแปสัมมาส ม, มาธิคือความมีจิตตั้งมั่นชอบหมายถึงลักษณะจิตที่เป็นผลมาจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีความเป็นหนึ่งอยู่โดยธรรมชาติสงัดจากกามสงัดจากความฟุง้งรวมทั้งอกุสนลธรรมทั้งหลายทั้งปวง การทําความรู้จักกับมรคมีองค์8ดครั้งนี้ของฉันไม่ใช่เพื่อไว้ประดับความจําหรือเตรียมทําข้อสอบวิชาพุทธศาสนาเหมือนในอดีตแต่เป็นไปเพื่อสํารวจตัวเองว่ายังขาดองค์มรคข้อใดสมควรเสริมความสมบูรณ์ขององค์มรคข้อใดเพื่อความพร้อมเพื่อการเตรียมตัวที่ไม่ขาดตกบกพร่อง